พระธรรมเทศนาแผ่นที่66ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่23กรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่าหลักแนวคิดเมื่ออยู่ใกล้ชิดองค์หลวงตา วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเมื่อวานหลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วก็ไปดูทางหลังวัดที่ขุดสระน้ำแล้วก็ไปดูผลงานาศรัทธาญาติโยมลูกหลาน ปลูกป่าที่ขอบสระน้ำแล้วก็ไปเห็นรอยหมูป่าโอ้หมูป่ายังมีอยู่ในวัดของเราเนี่ยตัวบักใหญ่แล้วอยมันนะเบื่อรอยเท่ากับรอยวัวน้อยอะนะหมูตัวนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยกิโลน่ะที่หลวงพ่อดูดูเคยเห็นหมูป่าตัวนี้มันเดินดูในขอบสระ ในวัดของเราแล้วก็ไปเห็นพวกลูกหลานปลูกต้นปลาล์มแล้วก็พวกประดูมักข่าตะเคียนทองไม้สักลูกหมักเม่าหมากว่าต้นไทรขนุนแล้วก็ผลละหมากหลากไม้ สลับกันเนี่ยหลวงพ่ออยากจะให้เป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะเหตุไรเพราะว่าวัดของเราเป็นเนื้อที่ทั้งหมดพันสามร้อยห้าสิบไร่กำแพงล้อมรอบแล้วก็มีเรื่องน้ำอุรมสมบูรณ์เพราะว่าน้ำลำรางมันผ่านแล้วก็เป็นเขื่อนยอมย่อมสำหรับให้พวกสัตว์สาราสิงเลยพึ่งพาอาศัยแล้วก็พร้อมกันก็ แต่มันขาดเรื่องอาหารอย่างพวกเราเห็นลิงหน้าแรงไม่มีอาหารมันจะกินตัวมีแต่ตัวผอมๆแล้วก็ขนหลุดอิกต่างหากแต่ช่วงไหนอาหารสมบูรณ์ซึกงบ่ขนมันก็เป็นมันเนี่ยหลวงพ่อว่าลำพังที่เราจะเลี้ยงส่วนหนึ่งก็คงจะลำบากคงจะเห้าปลูกนะ ปลาบั้งพวกผลละมากรากไม้ต่างๆขนนมะม่วงสมพก่มากเมาตากบเน่แหละหมากไม้ป่าต้นไทรปลูกสลับสลับกันไปแต่เมื่อวานลุงพ่อไปเห็นนะโอ้ดีแต่ก็ยังอีกสาอีกสองสาณนะคณะทา ย, ยาิโยมลูกหลาน ใครเห็นต้นไม้ประเภทอย่างนี้นะอย่างรับไม้อัดช่วงนี้แล้วก็ไม้อย่างอื่นประดูมักข่าไม้สักก็คงจะรับอีกเหมือนกันเดลยได้ให้ครูบาช่วยช่ยหาแต่ลุงพ่อก็โทรไปทางสกลนครเหมือนอกันอยากจะได้ไม้มักเมามาปลูกใส่ขอบสระอย่างน้อยก็ให้เป็นอาหารของสัตว์หาได้อยู่ได้กิน พอวัดของเราเป็นวัดลอยคอยไปทุกทั้งสี่ทิศเนะ่ยมีแต่สวนยางพาราเมื่อเป็นป่าเศษรษฐกิจสุดลูกหูลูกตาพี่น้องประชาชนลูกหลานต้นไม้ผละมะม ล, ลากไม้โดยมากไม่มีมีแต่ป่ายางพารานะวัดของเราก็น่าจะปลูกพวกพวกสัตว์ให้สัตว์ได้อยู่อาศัยบ้าง พวกนกพวกอะไรเห็นไหมพวกเราได้สังเกตไหมถ้าออกไปข้างนอกจะไม่เห็นจะไม่ได้ยินเสียงนกเสียงนกเสียงกระรอกกระแตสัตว์สารลายเสียงจะไม่ได้ยินแต่พอเข้ามาในวัดของเราเนี่ยสิเต็มไปหมดพวกนกพวกอะไรเพราะเหตุไรเพราะมันมีอาหารเราก็พยายามปลูกพวกต้นไม้ให้มันเป็นอาหารข อ, องสัตว์ด้วย ใช่ไม้ประดูนมะข่านะเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้อายุยืนเราก็ปลูกสําหรับใช้งานต่อไปภายภาคหน้าหลาหักปันจะไดอย่างลึกแต่ไม้ประเภทที่หลวงพ่อพูดกนะ็คือเป็นไม้เสริมเป็นอาหารของสัรวสัตว์ทั้งหลายเราเห็นไม่ว่าสัตว์ตัวไหนล่ะไม่มีอาหารกินจะทำยังไงสัพเพสตตาอาหารฤิทิกา สัพพสัตวทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารอาหารของนกอาหารของคนอาหารของช้างมา้าวัวควายแต่ละอาหารไม่เหมือนกันแต่พวกเราจะเลี้ยงได้เราจะเลี้ยงแต่อาหารพกผลไม้ปลูกขึ้นมาเพื่อจะให้พวกสัตว์ได้พึ่งพาอาศัยวันนี้นช่วยๆกันคิดนะไอ้กูบา ขาดเหลือขาดตกนะบอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะได้บอกผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยช่วยการคิดแต่มันขาดเหลือไม่ใช่ว่าขาดแล้วก็จบไปไม่ใช่นะแล้วว่าขาดต้นปาล์มปาล์มไม่มีครับหลวงพ่อยังขาดเออเอาหลวงพ่อก็จะได้หาผู้เกี่ยวข้องแล้วขาดผลไม้ปรัตุมักขาดตะเกียนททอง แล้วลุงพ่อเขาจะได้บอกไปพูดที่รู้จักมักคุ้นนะไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วก็จบเฉยๆอันนั้นแปลว่าสั้นเกินไปเพราะโล ก, กนี่มันโลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หาก้าไม้มาปลูกตอนนั้นไม่ได้มีทางเหรอต้องมีมีช่องทางหาโลกนี่มันโลกหาได้อยู่แล้วเวนเสียจะมันไม่มีในโลก ค่อยหาไม่ได้มันยังมีอยู่ในโลกเนี่ยมันยังมีอยู่่เนีมันก็มีช่องทางหาได้เพราะฉะนั้นอยากจะให้ปลูกหลวงพ่อเองอยากจะให้ปลูกทั้งสามสาเนี่ยละสาหนาที่หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่กรโอลปอกลางมาขุดเมื่อวานนี้ เ, เสร็จไปสาหนึ่งนะที่หลวงพ่อพูดสาเนี่ก็ไม่ใช่น้อยมากันปลูกได้หลายร้อยต้นทีเดียวอาจจะเป็นพัน พันก้าแล้วก็หลักสายที่สองกำลังเริ่มอีกเกือบจะจบแ ล, ะละ้วล่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะจบหลวงพ่อว่านะพอจบแล้วก็เราก็ปลูกล่ะเนี่พวกข้าวก็เหมือนกันอยวามันท้าแก่ไม่มาวันไหนธรามานเลยจะให้เอาข้าวมาปลูกอีกลงข้าวอีกคล้ายๆให้มันรากข้าวมันยึดดินไม่ให้มันสไลด์ไม่ให้มันไหลหนี พอเข้ากล้ามันเกิดขึ้นมามันก็ยึดพื้นดินเอาไว้เพื่อมาให้มันดินมันไหลไปที่อื่นทําไมอย่างนั้นอืมดินมันไหลออกไม่ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ตาม่จริงถ้าปลูกแฝกอย่างที่ว่าแฝกบันกว่ามันจะใหญ่กว่ามันจะโตกว่ามันจะตั้งต้นตั้งลําได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันวันนั้นเอาข้าวนี่แหละ พอข้าวปลูกแล้วพวกปรามมันใหญ่ขึ้นมามันก็คงจะยึดพื้นที่ของมันเหมือนกันยึดดินเหมือนกันและเมื่อยึดดินมันก็คงจะดูอยู่ได้กับมั่งนะหลุงพ่อกคยคิดนั่นนะแต่ตอนนี้ก็ยังเตียนโล่งไปหมดเลยแต่ไม่ถึงสามปีหรอกถ้าเราใส่ใจสักหน่อยปลูกขึ้นมาแล้วก็คงจะหนานแน่นไปด้วย ต้นไม้ล่ะแต่หลวงพ่อนั่งรถเดินไปทุนั่งรถไปภายในวัดของเราไปเห็นผลงานของเราตั้งแต่สร้างวัดมาก็โอ้ไม้ไม่ใช่น้อยนะคุณค่ามหาศาลทั้งประดูมักข่าไม้ตะเคียนทองโดยมากไม้สักหลวงพ่อตก่อนเน้นไม้สักเพราะมันโตเร็วถ้าไม้อย่างอื่นมันโตช้าพอเลยเน้นไม้สัก ไม้สากระเลยมากกว่าทุกไม้อยู่ในวัดของเราเดี๋ยวนี้ทำํทำทําเป็นเสากุฏิศาลาได้แล้วนะได้จะทํานะแต่คนรู้จะทําปเลยไม่รู้จะสร้างไปแหละมันพอแล้วพออยู่พอเป็นพอไปแล้วภายในวัดของเราเสนาสะนะที่พักผาอาศัยก็เป็นพอเป็นพอไปถ้าสร้างกว่านี้ก็ต่อไปภายภาคหน้าก็เห็นแต่วัด ครูบาอาจารย์ในขณะที่ท่านมีบุญหนักสักใจลูกศิษย์ลูกหาใครใครมาก็อยากจะสร้างถวายท่านเกิดมีแตเออ่เออเอออเออลูกศิษย์ลูกหากัอยากจะได้บุญสร้างพอสร้างเสร็จแล้วพอท่านจากไปผู้ที่อยู่มาทดแทนมันไม่เหมือนครูบาอาจารย์ พระเถระที่ท่านอยู่ก่อนมันเทียบกันได้ยังไงเพราะบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พอมาถึงยุตรุ่นลูกนก็นั่นแะแต่ก่อนพระเป็นห้าสิบหกสิบรูปพอมาถึงเราพระห้าหกองแล้วเสนาสนะเหล่านั้นจะทำยังไงเนี่ยนะหลวงพ่อมาคิดหมดที่จะสร้าง เสนาชนะขึ้นมารองรับความสะดวกสบายของสัตยา ญ, ญาโจโยมพระเ น, นลูกหลานถ้าต่อไปภายภาคหน้าและจะทำยังไงเพราะนั้นพวกเราเข้ามาปฏิบัติธรรมก็เข้ามาเพื่อบำเพ็ญปฏิบัติธรรมไม่ได้เข้ามาเพื่อหาความสะดวกสบายถ้าอยากจะได้ความสะดวกสบายก็นู่นอยู่ในเมืองที่พักผสายรงโร ง, ง, งแรม มีแต่เจะแยะอันนี้เรามาทุ่งมาป่ามาฝึกหัดดัดนิสัยมาบําเพ็ญกายวายายใจของเร า, เาพวกเราคิดดูสิว่าในพุทธประวัติที่พระพุทธเจ้าไปบําเพ็ญอยู่ในป่าหกปีนั่นแะแต่ท่านก็มาในพูดว่าในหกปีน่หน้าฝน พระพุทธเจ้าอยู่อย่างไรที่พักพาของพระ อ, องค์น่ยมุงด้วยอะไรใหญ่ขนาดไหนและท่านอยู่อย่างไงกับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนะ่ยอยู่กันอย่างไงก็ไม่มีไม่มีในตําราบอกชัดเจนเลยจุดนี้แต่ตามไม่จริงถ้าไปอยู่ผลตกน่าจะไปอยู่ในต้นไม้ไม่มีที่มุงที่บังคงเไม่ใช่อย่างนั้นอีกเหมือนกันหลวงพ่อว่านะ แต่ว่าท่านก็ไม่ได้พูดในรายละเอียดว่าพระพุทธเจ้าในขณะที่หปีเนะี่ยหน้าแรงหน้าฝนประเทศอินเดียก็ท่านหนาวก็หนาวจนพอแรงท่าร้อนก็ร้อนจนพอแรงเหมือนกันท่าฝนก็ไม่แพ้ใครอีกเหมือนกันพระองค์ท่านจะอยู่อย่างไรในช่วงนั้นไม่ชัดเจนในจุดนี้แต่ตามไม่จริงก็คงจะอยู่แบบสมัติที่สุด ทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะเมื่อพระพุทธองค์ได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเสวยวิมุตติสุขที่โครนต้นโพ7วันต้นไซ7วันแล้วก็สะมุจจริน7วันในขณะที่ไปประทับอยู่ที่สะมุจลรินเข้านั่งสมาธิอยู่7วันนันฝนตกฝนตก แสดงว่าพระ อ, องค์ไม่ได้อยู่ในกุฏิสาลาใอยู่ในนั่งอยู่ในขอบสะพญานาคเห็นแล้วก็โอ้พระพุทธเจ้านั่งฝนตกลินพ ร, รมอ ย, อย่างนี้พญานาคก็เลยเขาหมวดตัวขคดตัวแล้วก็แผ่พังพันเป็นที่มุงบังพระพุทธเจ้าที่สะหมดจิน นี่แหละพระพุทธองค์เสด็จอยู่ในขอบสารนะั้นตั้งเจ็ดอาทิตย์หกอาทิตย์ต่อเจ็ดอาทิตย์เนี่ยหลวงพ่อก็จําไม่ชัดนะท่านก็ไม่ได้อยู่ในกุฏิอยู่ในศาลาก็เดือดเป็นเดือนหเพนที่ตัดจรู้ของพระพุทธญาล ก, ก่อนหน้านั้นแหละจะที่พระพุทธองค์ไปอยู่ไปบําเพ็ญถึงหปีอยู่ในในละแวะกนั้นพระพุทธองค์อยู่อย่างไรอยู่ในกระต๊อบ กระท่อมห้อมหอหรือว่าใครเป็นคนไปสร้างให้ที่พักพ้าของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีไม่ชัดเจนอีกเหมือนกันในตำราในพระไตรปิฎกที่ได้อ่านได้ศึกษาได้ค้นคว้าดูแล้วไม่มีชัดเจนว่าพระพุทธองค์อยู่ในถ้ำอยู่ในเงื่อมผาหรือว่าอยู่ในที่มุงบังมีใครไปสร้างเสนาจนที่พักพาอาศัยให้พระ อ, องค์ หรือพระ อ, องค์กับปัญจวคีร์ทั้งห้าไปไพรยาแล้วก็มามุงหลังคาดเป็นที่พักของตนเองไม่มีในตําราอีกเหมือนกันมีแต่ว่าวันเดือน6กเพนพระพุทธเจ้าได้ตัดสรูปพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในการประทับของพระ อ, องค์ในช่วงนั้นพระ อ, องค์ประทับอย่างไรนี่อันนี้ท่านมันได้ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญท่านให้ความสําคัญเรื่อง ผลงานหรือความตัดรู้ทางด้านจิตใจของพระองค์มากกว่ามากกว่าการเป็นอยู่ทั้งของร่างกายที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพระองค์เองเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเองก็อยากจะให้พวกเรามองมองพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันนะอยากจะให้พวกเราทุกๆคนมองและการเป็นอยู่อย่าไปติดในกุฏิ เดินกลางวันก็ไปเดินไปภาวนาที่นั่นบังที่นี่บังเดินอย่างกลมที่นั่นบังตรงนี้บังเปลี่ยนบรรยากาศภายในวัดสำหรับครูบานะสหรับพวกในครัวก็เหมือนกันบาเพ็ญภาวนานะเน้นเรื่องภาวนาเป็นสำคัญจากนันก็เออเอาศึกษาศึกษาเนี่ยก็ศึกษาให้ศึกษาแนวปฏิปทาของปอแม่ครูบาอาจารย์ ถ้าเราไม่ได้ศึกษาสะก่อนเราจะรู้แนวทางได้อย่างไรเนี่ยปริยัตอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อวานปริยตคือการศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปฏิเวทธรรมอย่างที่ญาติโยมเคยถามหลวงพ่อนะที่บัตวัตป่าบั้บบบนตาหลวงพ่อเป็นพระน้อยพะหนุ่มท่านเป็นผู้ใหญ่มาจากกรุงเทพ ท่านก็เห็นเราอยู่เป็นพระหนุ่มใช่ไหมกำลังค่องแคล่วว่องไวอะไรเราก็ดูดูดูแลรับแขกดวงตาเป็นพ่อเราก็เป็นลูกดูสําหรับแขกคนมาพักยังไงดูยังไง เ, เราก็ไปดูดูดเูเหมือนกับลูกในบ้านลักษณะอย่างนั้นตีน่ะเขาก็เห็นเขาก็มาถามเขามาพักที่วัดเน เขาก็มาถามว่าหลวงพี่หลวงพี่ปฏิบัติอย่างไรในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่อยู่ยังไงคิดยังไงปฏิบัติตนอย่างไรในการเป็นอยู่ของหลวงพี่ผมอยากจะทราบพูดเป็นข้าวให้ผมได้ได้ฟังดูซิพอนั่งคุยกันหลวงพ่อเขบอกว่าเรื่องศีลและวินัย กฎระเบียบที่พ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาสอนยังไงเราก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างที่ท่านแนะนําสั่งสอนพอถ้าหาว่าเราองค์ไหนก็ตามไม่ไปตามกฎระเบียบของท่านท่านก็บอกว่าเข้ามาเข้ามาทำไมเข้ามาอยู่ทําไมมาอยู่ให้หนักวัดหนีถ้าเข้ามาอยู่ก็ต้องศึกษาจะต้องปฏิบัติตามที่ เราบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนมันก็ถูกคาท่านเราก็ยอมรับว่าท่านนี่ดวงตานี่พูดถูกถ้าเรามาเข้ามาแล้วออไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาของท่านแข็งกระด้างต่อท่านเรามาอยู่หาสิริมงคลอะไรเราหามาอยู่เพื่ อ, อ, อหาความสุขออกับตัวเองอย่างนั้นเหร อ, อแล้วให้ทุกข์กับท่านอย่างนั้นเหรอ ไม่ฟังคำของท่านอันนี้ก็คืออาตมาเองก็อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยกฎระเบียบที่หลวงต า, าพ่อแม่กุญาจ์ท่านวางไว้อย่างไรอาตมาก็ปฏิบัติตามนั้นแต่เรื่องศีลในพระปฏิโมกก็สำรวมระวังก็ได้ตรวจตรายอยู่เสมอได้ค้นคว้าศึกษาอ่านปฏิบัติเพราท่านก็บอกหลวงตาท่านก็บอกว่าศีลมันของหยาบ พร้อมที่จะค้นคว้าศึกษาได้อย่าไปมองข้ามให้ช่วยกันอ่านศึกษานะเรื่องศีล น, นะสองร้อยยี่สิบเ้เข้าใจตรงไหนก็บอกถามไทยกันเพราะว่าเรื่องศีลนั้นเป็นของไม่ละเอียดเป็นของกฎ ก, ฎกติกาในการอยู่ร่วมกันเรื่องศีลให้ดูแต่เรื่องสมาธิสมาธินี่ องหลงตาท่านก็บอกว่าการที่จะทำสมาธิทำจิตใจให้สงบตัวของท่านเองแต่ก่อนท่านก็กาหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกก่อนที่จะพบหลวงปู่มั่นแต่พอไปพบหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็นัดแรกวันแรกท่านก็สอนว่ามหาท่านที่เรียนมาทั้งหมดนะที่เป็นมหาจนได้ถึงเป็นมหาให้ท่าน ให้ท่านเอาเก็บไว้เข้าตู้ไว้ก่ อ, อนนะอย่าเอามาเปรียบเทียบค้นคว้าอะไรทั้งหมดใส่ในตู้ไว้ก่อนเออเนี่ยให้ปฏิบัติให้ภาวนาพุโทโธนะตอนนี้ไปตั้งแต่บัดนี้ไปให้ภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุโทโธพุโทโธนะเออให้เนี่แหละคือจะทําจิตให้สงบเอาให้ได้นะอันนี้เราก็ปฏิบัติตามวงหลวงปู่มั่นะ แต่ก่อนเรากําหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายแต่บัดนี้เร า, เาบริกรรมพุทโธด้วยแต่มันยากนาทีแรกบังคับบังคับตนเองอยู่นานสองสามวันจึงบังคับอยู่พอบังคับอยู่เราก็มั่นใจแล้วเนี่ยการภาวนาพุทโธเนี่ยออมันมันแน่นออมันรู้สึกว่ามันยึดแน่นเข้าไปสู่จิตใจมั่นคง เชื่อมั่นในการปฏิบัติของตนเองอันนี้ก็คือสมาธิที่องค์หลวงตาที่ท่านสอนนี่แหละจากนั้นกระตันก็ให้พิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงอันทิจางทุกขังอันนัตตาเป็นอสุภะปฏิกลูนธาตุสีที่น้ำลมไฟแต่สำหรับอัตมาเองถ้ามันใจคิดออกไปข้างนอกถ้ามันปรุงฟุงออกไปข้างนอกบางครั้ง เราก็ต้องเอามารณะนุสตนะิและเลือกถึงความตายเข้ามาหักล้างในความคิดนั้นๆสำหรับตัวเองเอ้ยเราเอ้ยเห็นคนตายไหมเธอจะไม่ตายใช่ไหมมันมีความสุขไหมยอยู่ในโลกพิจารณาดูให้ทีท่วนดูซิตั้งแต่เกิดมานะเป็นเด็กมาเป็นยังไงเป็นเด็กเรียนหนังสือเป็นยังไงมาจนถึงปูนนี้เป็นยังไง มาถึงปู่นี่แล้วทีนี้ดึกถึงคนอื่นเถอะนคนอื่นเขามีครอบครัวแล้วก็เป็นยังไงนึกให้ไปอีกถ้ามีครอบครัวเมื่อเท่าแก่ชราเขาเป็นยังไงเมื่อแกชร า, าจริงๆอายุเจ็ดแปดสิบแล้วก็เป็นยังไงแล้วเขาตายเลยเป็นยังไงดูนะตัวเองจะเป็นอย่างนั้นไหมนี่แหละอันนี้ก็คือการพิจารณาคนอื่นแล้วก็เปรียบเทียบตัวเอง และก็เปรียบเทียบคนอื่นเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในอันนี้คือการพิจารณาความเป็นอยู่ของตัวเองนี่แหละเวลาจะพิจารณาลงอาตมาเองก็พิจารณาอย่างนี้แต่ถ้าจะว่าอยากจะให้สงบกําหนดลมหายใจเข้าออกเน้นพุทธโธเป็นหลักที่หลวงตาท่านพูดถูกกับจริตของอาตมาแต่ว่าเมื่อบางครั้งเราพิจารณา พิจารณาเรื่องมรณะนุสติเป็นหลักแล้วจากนั้นก็นพิจารณาอสุภะนี่แหละดูใจของตัวเองอยู่อย่างนี้จิตใจของเราก็ได้รับความสุขสบายเพราะว่าเม่นลูกว่าจะสันตินสนโน ด, ดไปเพื่ออะไรมันจะมีอะไรดูสิดูให้รอบด้านรอบทิศรอบด้านดูซิกันกรองดูให้ดีซิ มันก็ไม่มีอะไรเพราะนั้นอาตมาอยู่ในในธรรมน่นแหละถ้าหาว่าอยู่กับครูบาอาจารย์ก็อยู่ในกฎระเบียบที่ท่านาวางเอาไว้ในพระวินยัยสินสอยีก็ได้ศึกษาปฏิบัติตามแนวแถวที่ท่านก็ทุกรงปฏิบัติอยู่ในสินอยู่แล้วอยู่ในวินัยอยู่แล้วอาจจะเรื่องสมาธิทำจิตใจให้สงบอย่างไร ที่ท่านปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอย่างนี้แต่แนวความคิดคิดอย่างไรเรื่องวิปัสนาคือแนวความคิดท่านในคิดอย่างไรองค์หลวงตาท่านก็สอนเราก็พิจารณาตามที่ ท, ท่านแนะนำสั่งสอนเราก็เห็นด้วยก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงเพราะนั้นน่ะเรื่องแนวความคิดเรื่องวิปัสสนาก็ลักษณะอย่างนั้นหละอันนี้คือหลวงพ่อได้พูดให้ ในสมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มนะก็ได้พูดให้กับผู้ที่มาเกี่ยวข้องมานั่งเขานั่งถามเขาอยากจะถามาชีวิตของท่านแนวความคิดของท่านการเป็นอยู่ของท่านชีวิตประจำวันและแนวความคิดของท่านท่านปฏิบัติตนอย่างไรคิดอย่างไรเนะี่ยเขาถามหลวงพ่อก็ได้พูดให้เขาฟังเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้น อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังนะคิดดูให้ดีสิให้เปรียบเทเปรียบเทียบนอกคือคิดดูภายนอกที่ก่อนเขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยต่อมาเท่าแก่ชราช่วยตนเองไม่ได้เป็นนอนอยู่ในโรงพยาบาลมีแต่สายอะไรพลุงพลังและเป็นยังไงชีวิตนี้ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะมันถึงจุดนั้นแล้วต้องเป็นอย่างนั้น แไม่มีจะเป็นแท่งทองขึ้นมาแท่งเงินแท่งทองขึ้นมาเสร็จสวยขึ้นมาสวยงามขึ้นมาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นร่างกาย น, นี้มีแต่แต่ไหลไปสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดมันลงเป็นอย่างนั้นร่างกายของเราไม่ว่าท่านไม่ว่าเราไม่ได้ดูถูกเย็ดย่มกันพูดตามความเป็นจริงนะ เงลับพอนะตอนนี้อนโมทนาให้พอ